เป็นเรื่องของคาถาของพระประเจกับพุทธเจ้านี่นะมาขึ้นในคาถาที่28หน้าสองสสได้ยินว่าใ น, พ, นรพระนครพาราสีมีพระราชาพระนามว่าอานิวิตตะเอออิวัตตพรหมทัตเท้าเธอในเสด็จเข้าสู่สงครามส่งปราชัยแล้วก็ไม่เสด็จกลับ พระราชาแพ้ใช่ไหมแพ้แล้วก็ไม่กลับนะหรือเพราะพระองค์นั้นทรงปราบรพระราชกิจอย่างอื่นไม่สําเร็จก็ไม่เสด็จกลับเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจึงเรียกพระองค์อย่างนั้นพระเจ้าอนพระเจ้าอา น, นิวัตตะพรหมทัตเนี่ยนะอ น, นิวัดเนี่ยแปล ว, ว่าไม่กลับพรหมทัตไม่ยอมกลับเหมนนะ น, น, นี่ในวันหนึ่งพระองค์เนีเสด็จไปสู่พระราชวิทยานก็โดยสมัยนั้นไฟป่าได้ลุกไหม้ ไฟนั้นไหม้ไม้แห้งและวัตถุมีญ้าเป็นต้นที่ตกหล่นลามไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกก็คือที่ที่ไฟมันไหม้แล้วมันก็ไม่หวนกลับมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันคือไฟเอ่อไหม้จนมอดเชือ้อเนี่ยนะเมื่อไม่มีเชื้อแล้วมันจะกลับมาไหมอีกได้ยังไงพระราชาพอเห็นไฟนั้นแล้วสรงย่างนิมิตอันเปรียบด้วยไฟนั้นให้เกิดขึ้นว่า ไฟป่านี้ฉันใดไฟสิบเอ็ดอย่างก็ฉันนั้นเหมือนกันไฟป่ากับไฟคือชาติชราโมระโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตรวมถึงไฟคือราคา่าไฟคือโทสะไม่ต่างกันเลยไฟทั้งสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้ไม่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไม่กลับก่อทุกข์ใหญ่ให้เกิดขึ้นเชื่อว่าเมื่อไหรหนอแม้เราก็ไม่ให้ทุกเหล่านี้หวนกลับ พึงเผาไหมกิเลสทั้งหลายด้วยไฟคืออริยมรรคยานเหมือนไฟนี้ไปแล้วก็ไม่หวนกลับอันนี้โดยปกติเนี่ยนะของเราทั้งหลายแต่ละภพแต่ละชาตินั้นไฟคือชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาติเมื่อเผาไปแล้วมันก็ไม่ได้ย้อนกลับมาก็ไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นอย่างเก่านับหนึ่งใหม่นนะก็มีแต่พบแล้วแล้วเล่าๆเป็นไปเรื่อย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 ออกผนวดปรารบวิปัสนากระทําให้แจ้งปัจเจกับโพธิยานแล้วก็แปลงคาถาอุทานว่าบุคคลบุคคลพึงทาลายสังโยชน์คือเครื่องผูกทั้งหลายเหมือนปลาทาลายตะข่ายหนีไปเหมือนไฟไม่หวนกลับมาสู่ที่ไหม้แล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรดนันนะ่คือเมื่อใดที่จะพิจารณา สังขารธรรมทั้งหลายจนสิ้นเยื่อใหญ่จนสิ้นสังโยชน์ในสังขารทั้งปวงเนี่ยนะ เ, เหมือนกับว่าไฟที่ไหม้ไหม้ไปแล้วไม่ยกไม่ต้องย้อนกลับมาไหมเพราะว่าทำรรกิจเหล่านั้นเสร็จแล้วในอัธกถาที่อธิบายถึงไฟไหม้ว่าที่ที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยนะสถานที่ที่ถูกไฟไหม้เสร็จแล้วอธิบายว่าไฟย่อมไม่หวนกลับไปสู่สถานที่ไหม้แล้ว คือไม่มาในที่ไม่แล้วนั้นโดยฉันใดบุคคลไม่กลับไปสู่ที่แห่งกรรมคุณที่ไฟคือมกรยานไม่แล้วไม่มาในที่แห่งกรรมคุณนั้นโดยแท้คือที่ใดที่โสดาปติมัติเนี่ยนะทำปริญญาเสร็จแล้วที่นั่นไฟคือสังโยตกสกายทิธิวิจิกิจฉาศีลพธธัตะปรามาสังโยต์ก็ไม่ไม่ไม่ลุกไหมอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอริยมรรยานเผาเสร็จแล้ว ถ้าที่ตรงใดสกท า, าคามีมักเผาแล้วที่ตรงนั้นการมราฆะกับปฏิฆะอย่างหยาบก็ไม่เกิดเนี่ยนะที่ใดที่อนาคามีมักเผาเสร็จแล้วที่ตรงนั้นสังโยชน์คือการมราฆะและปฏิฆะอย่างละเอียดก็ไม่เกิดถ้าที่ใดอารหัตตมักเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะที่ตรงนั้นบาบากุโสลธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดอีกโดยประการทั้งปวง ในอัตถกาถาอธิบายว่าคําว่าสังโยชนี่มีอยู่10ประการคือการมราคาสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์มานะสังโยชน์ที่ถิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์ศีลพัตตปรามาสะสังโยชน์ภวราคาสังโยชน์อิศสาสังโยชน์มัชชริยสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์เนี่ยนะคำว่าทําลายแล้วซึ่งสังโยชน์ทั้งหลายความว่าทําลายทําลายพร้อม ละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความไม่มีซึ่งสังโยตสิบประการถามว่าโดยปกติสังโยตินั้นเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันห้าเมื่อพิจารณาอุปาทานขันห้าโดยรอบครอบโดยละเอียดทุวนทีด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนา ไฟคือสมถะวิปัสนาแพดเผาสังขารธรรมทั้งหลายสังโยชนก็ไม่เจริญโงกเงยในที่ที่วิปัสนาพิจารณาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิปัสนาระดับวิปัสนาระดับโสดาปติมักขึ้นไปพิจารณาสังขารธรรมเหล่าใดสังขารธรรมเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกเลยปตาทำลายตะข่ายเนี่ยนะทำลายตะข่ายคําว่าตะข่ายก็คือตะข่ายสมัยใหม่ก็ใช่ลายธรรม สมัยก่อนก็ใช้ได้เนี่ยนะสมัยใหม่ก็ใช้แบบ เ, เชือกเอ็นเนี่ยนะเชือกเอ็นตะข่ายที่ทําด้วยได้ก็ยังมีอยู่ทําด้วยเอแต่โดยมากสมัยใหม่ทําด้วยเอ็นเนี่ยนะบอกว่าปลาที่เที่ยวไปในน้ําฉีกแหวกตะข่ายขาดลอดออกไปเที่ยวว่าเที่ยวไหแวแหวกหรือแหวกว่ายไปรักษาบํารุงเยียวยา แต่คิดไปแล้วเนี่ยนะปลาน้อยตัวนักที่จะทำลายตาข่ายของในพรานหรือพรานเบ็ดได้ฉันใดหมูสัต์ทั้งหลายที่ทำลายตาข่ายคือตันหาและทิฏฐิก็น้อยฉันนั้นเพราะพระประเจกับพะพุทธเจ้านั้นละข่ายคือตันหาสละข่ายคือทิฏฐิเสียแล้วทาลายเหมือนปลาทำลายตาข่ายฉะนั้นเพราะเป็นผู้ละข่ายคือตันหาสละข่ายคือทิฏฐิได้แล้ว พระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ค้่องไม่ติดไม่พัวพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังคือในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบทำอารมณ์ที่พึงรู้แจง้งเป็นผู้ออกไปสลักออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทาให้ไม่มีเขตแดนอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนปลาทาลายตะข่ายฉะนั้น แปลว่าด้วยอํานาจวิปัสนาด้วยอํานาจอาริยมรรคพิจารณาจนถึงว่ารูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อีกต่อไปเสียงเปล่นรสโภธาทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เนี่ยนะไม่มีอารมณ์อะไรอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศสธรรมของพระประเจกพระพุทธเจ้าอีกต่อไปคําว่าเหมือนไฟไม่ลามไปไม่ได้กลับมาความว่าพระประเจกสัมพระพุทธเจ้านั้นไม่มาอีกไม่ย้อนมา ไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยโสดาปฏิมัคเนี่ยนะกิเลสที่ละด้วยโสดาปฏิมักไม่ว่าจะเป็นสกายติธิสังโยชนิจิกิจชาสังโยชติรพัตตะปรามาสสังโยติอิสสาสังโยติมัชชริยสังโยติพระโสดาบันก็ด้วยอนุภาพแห่งโสดาปฏิมักก็ละได้เด็ดขาด ไม่ไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยสกทาคามีมัคือกิเลสอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วยอนาคามีมัคือกิเลสอย่างละเอียดไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยอรหัตตมักคือกิเลสทั้งปวงเนี่ยนะถูกอรหัตตมักขจัดได้เรียบร้อยแล้วเหมือนไฟไม่เชื้อหญ้าและไม้ ลามไปแล้วก็ไม่กลับมาฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนไฟไหม้ลามไปไม่ได้กลับมาเพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอดแรกเนี่ยนะถ้าหากว่ามองว่าสังขารธรรมหรืออุปาทานขันห้าเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับเชื้อเพลิงทั้งหลายเนี่ยนะสมมติว่าที่ใดที่มันมีเยื่อยใยยางเหนียวที่ไฟจะต้องไปเผาะที่ตรงนั้นก็เหมือนกับสมูทัยมันก็เผาซะที่ตรงนั้นเหลือแต่ซาก